ท่านบรรดาผูะมีสุดสมเนทัังหลายอี่ญาโจมพู้บริษัทเรื่องบ้าบ้าบ่มบมของผมพอจะเริ่มบ้าเทพก็หมดหน้าพอดีที่มาตอนช่วงนี้สองนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องความบ้าผมก็ได้จะไหวพระพรกับพระองค์ว่าประเทศไทยนะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่แรก่้าที่มีคุณค่าสูงมากและมีราคาดีแถมกาถาม๊าซถนน้มันก็มีมากแต่ได้ว่าเวลานี้โอกาสที่นำขึ้นมายังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึงวาระทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกี่ยวกับวาระแต่ได้ว่าพอศ .2524 ตอนนั้นป้าเริ่มสาง จะเริ่มบอกชะตาชัดว่าต่อนนี้ไปประเทศไทยจะมีความรุ่งเรืองแต่ก็ยังเอาดีไม่ได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอัยลืมไปว่าพระองค์ทรงตากพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยด้เกินการช่วยเหลือบรรดาประชาชนพระองค์ทรงเหนื่อยมากก็อยากจะทรงมีความสุขไมยกวาได้พักผ่อนกันหน่อยสักที ในความจริงถ้าที่องค์ทรงตัดแบบนั้นไม่ใช่พระองค์ทรงเบื่อนายพระองค์ก็เห็นแล้วเวลากลางคืนเ็าถ้ามีเวลาพักน้อยจะได้บรรทมก็ต้องใช้เวลาถึงตีสองตีสองบรรทมหลับไดยังก็ยังไม่ทราบบางทีแล้วก็เวลาออกเยี่ยมบรรดาประชาชนงานรองค์ก็มากแต่ต่วันดูไหมวุฒิการแล้วเราเองก็เวียนหัวไม่ไหว อะไรอะไรก็อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวเขาเกณฑ์ให้ท่านไปหมดแม้แต่คนที่รับภาระไปเพื่อทำดีไม่ดีองค์ทรงบอกแล้วสามสี่ปีเขายังทำไม่ได้ก็มีงานจุงจิงจุงจิงทุกอย่างเล็กๆแต่น้อยพระองค์ทรงเห็นเป็นประโยชน์ก็ทรงสั่งให้ทำแล้วก็จัดการทำควบคุมการทำไปดูแลอยู่เสมอ เยนว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจริงๆอย่างผมเองผมก็ไม่ไหวผมเคยคิดว่าขยายผมเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ทํางานอย่างพระองค์ให้พระอวันณะสิบล้านเนี่ยผมไม่เอาวันณะสิบล้านนะครับไม่ใช่เดือนละสิบล้านเนี่ยผมไม่เอาที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าผมทําไม่ได้พระองค์ทรงบอกว่านเหน็ดเหน่อยก็ทราบก็เลยกลับทูลว่า พระเขาเรียกสบายพระนเนะที่ผมป่วยๆผมก็เผลอเหมือนกันก็นได้ถบายพระพรกับพระองค์ว่าสองสี่ก็เริ่มเห็นแล้วต่อไปต่อไปหลายๆปีความแจ่มใสก็จะปรากฏแล้วก็ประเทศไทยจะเต็มเรื่ความอุดมสมบูรณ์เพราะบรรดาประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขทรัพย์สินข้ามีมากพระองค์ก็ทรงหายเหนื่อย แต่พระองทรงตัดต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้ว่าตอนนั้นผมก็แก่แล้วครับมันก็เหนื่อยอีกแหละหก็เลยก็ดถวายพระพรบัลการไปเยี่ยมเขาเฉยๆก็ไม่หนักไม่ต้องช่วยเขาทํำแต่บางทีไม่ช่วยทําคนแก่มันก็ต้องเหนื่อยจริงของท่านเนี่ยรวมความพระบาทสมเด็จเจ้่หัวก็ทรงตัดแบบปกติปกติถ้าอย่างเราเราก็ถือว่าคุยแบบกันเอง ถือว่าท่านทําให้ผมไม่ตื่นตกใจไม่ประมาณเองในความไม่ตายขององค์ถือว่าเป็นมหากุณาที่คุณอย่างหนักในเมื่อผมถวายรพระพรพระบาทสมเด็จเจ้อยหัวไปแล้วจะทายัางไงผมก็หนักใจเนี่เพราะเรื่องที่ผมพูดไปเนะ่ยมันไม่จริงนะไม่จริงความจริงเวลานั้นผมก็อาศัยพุทธบารมีตลอดเวลา แต่ผมก็เป็นคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ผลงานงานทุกอย่างผมต้องอาศัยการพิสูจน์หมดไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อนี่ผมจะต้องพิสูจน์ก่อนอย่างพวกผีพวกเทวดาที่ผมก็ต้องไปสูจน์ต้องชนกันจริงๆและก็ชนกันจริงด้วยชนกันข่าวไรผมสู้เทวดาไม่ได้สักที ผมก็ต้องเชื่อเทวดาว่าเทวดามีจริงเรื่องเทวดานี่ชนกันเยอะครับมันแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องเยอะแยะเทวดาก็ดีพงก็ดีพวกผีก็ดีผมเจือมาเยอะมันจะไม่ได้การทรงเจ้าทรงผีก็ตามทรงเจ้าก็แล้วกันจะแหววทรงผีคนทรงเมื่อก่อนเนี่ยพวก็ดูเฉยเฉยมันดีไม่ดีผมก็ปราบมาเอาด้วย ว่าการทรงอิลุยช่วยแจกแบบนี้หลอกลวงกันบ้างในี่ยตอนเด็กๆยังไม่บวแต่ในที่สุดผมบวชเข้ามาแล้วภาษาแลกวผมก็หาทางพิสูจน์การพิสูจน์ไม่ใช่ดั้งทางนอกทางในคือใช้ลูกตาชนเลยใครก็ลือว่าการส่งเจ้าที่ไหนเก่งที่สุดเอ้ไม่เก่งผมไม่เอาที่ไหนเก่งที่สุด ผมไปที่นั่นไปไปสู่ความจริงโดนเขามาสีลายผมหยุดจุดที่มีเปล่าไครับดับเครื่องเลยไม่ชนต่อไปสู้เขาไม่ได้เขาเกับความจริงทุกอย่างฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่กันไม่เนื่อในเมื่อถวายพระพรปรจดับบาสุนเ็จีหัวไปแล้วผมก็มันนั่งสงสัยว่าถ้อยคำที่ถวายพระพรไปองค์ไป มันจะมีความจริงตามนั้นหรือไม่ต่อมาคราวหนึ่งเรื่องที่กำเนิงมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันในี่บรรดาท่านไหลในเมื่อผมยืนยันกำบัตรจริหงหัวแล้วก็ปรากฏวยข่าวสะพัดข่าวสะพัดทั้งบรรดาคารวะและเพื่อนน่งเหลืองอย่างผม ก็ก็หาว่าผมบาปแต่ความจริงไม่ได้ว่าทุกคนเน่เป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนนน้อยถึงลูกศิษย์ผมที่เป็นนายทหารบ้างเป็นนายตำรวจบ้างที่เป็นข้าเจ้า บ, บ้านบ้างข้ราการพเรียนบ้างได้ฟังคำครับรามากบผมแล้วกับมากะโมโหโทโส <c oughs> อยากจะไปบ่อมเขาแกมาเล่าให้ฟัง ก็เลยบอกว่านี่พูดเธอทั้งหลายฉันเองฉันเป็นคนถูกด่าถูกว่าฉันยังไม่โกรธแล้วเธอเองเป็นคนไม่ถูกด่าถูกว่าทำไมยิงโกรธเธอก็บอกเขาว่าใส่หน้าผมก็บอกดีแล้วเขาว่าใส่หน้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่รับมันก็ไม่ขังอยู่ที่หน้าเราถ้าเราไม่รับมันก็ไปอยู่ที่เขาเราจะรับมาททำไม ใม่เมื่อการเวลามันยังไม่ถึงต้องรอหาเธอถึงพศอ .2524 อก่อนถ้าพศอ .2524 อไม่มีจริงตามนั้นเธอก็ต้องไม่โกรธเขาไปบอกว่าครูบาอาจารย์ของผมสติสตังถ้าไม่ดีบ้าว่าบวมๆเขาพูดไปอย่างนั้นเอง แต่ว่าบังเอิญมันมีจริงตามนั้นเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความจริงคุณจะว่าอย่างไงก็เท่านี้ก็พอในเมื่อเตือนบรรดาลูกศิษย์ทุหาไปแล้วก็ต้องผมก็ต้องพยายามเตือนตอนเองด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาจูทยัตตานางังจึงกล่าวโทษโจย์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันดับแรกตรงถือสติสมแรคการที่พระพุทธเจ้าสรงตรัดที่ระหว่างเมื่อนา น, น, านาลันทคามก็ะจะคือต่อกัาร <c oughs> นี่ผมก็ยังพูดไม่ค่อยชัดนะครับเล้นไม่ดีอากายเป็นเครียดที่พระพุทธเจ้าถูกนันทมานพกับสุปริยปรีภาชกสุปริยปรีภาชกนั่งด่าตลอดคืน นั่นถ้ามานบผู้เป็นหลานสรนเริญตลอดคืนตอนเช้าพระไปบิณบายกลับมา <c oughs> เวลาไปบิณบา่ายชาวบ้านก็ไล่ฟังว่าลุงกับหลานมีคติไม่ตรงกันลุงด่าพระพุทธเจ้าตลอดหลานชมพุทธเจ้าตลอดคืนพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงเรียกประชมสง <c oughs> ทรงตัดว่านินทาพิกเวดูก่อนพิสุทิ์นันหลายนินทาประสังสารในสรรเสริญนินทาเป็นของประจำโลกจัดว่าเป็นธรรมดากนชาวโลกที่เกิดมาชาวโลกที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกสรรเสริญไม่มีทุกคนจะรับทั้งคำนินทาและคาสรรเสริญแต่ขอพระทุกองค์จำไว้ว่าถ้าเราเป็นคนดี เขานินทาว่าเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถา้าเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเราดีขนาดไหนเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความเลวเป็นมาเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเธอทั้งหลายเธอจงอย่าสนใจแตงคํานินทาและสรรเสริญ อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมยึดเป็นคติของผมผมก็คิดว่าถ้าเราทาถูกทาดีเขาเยะ ว, ว่ายังไงก็ตามคนที่ไม่ชอบใจเรามันมีสองรายการคือหนึ่งไม่ชอบเพราะทำตามไม่ทันมีอารมณ์ดิสยาสองไม่ชอบเพราะขาดผลประโยชน์ เราทาไปมันจะเรินรุ่งเรืองจริงแต่ไปขัดจะผลประโยชน์ที่เขาจะถึงได้อย่างวัดวารามถ้าเขาเคยได้ไรกันได้เราไปทําเข้าเราไม่ได้ไรก็ขัดใจเขาถ้าไม่ขาวเขาหากินยากตอนนี้เขาก็ต้องดา่าเพราะเมตตาเราเป็นทองธรรมดาคนใดที่ได้ผลประโยชน์จากเราเขาก็อาจจะสันเซิน แต่คนที่ก็สันเสริมว่าได้ผลประโยชน์พวกคุณอย่าลืมนะว่าเขาจะสันเสริมมันนานขณะใ ด, ดที่เขามีประโยชน์เขาก็จะสันเสริมแต่ว่าพอกระทบกระทั่งอารมณ์ใจนิดเดียวเขาก็นินทาวความความคำนินทาและสันเสริมมันจะอยู่กับบุคคลคนเดียวกันแล้วผมก็หันไปดูพระพุทธเจ้าเอง เขาได้เจ้าเองท่านสมญชนอยู่ท่านก็ถูกเขาด่าเขาดินท า, าตลอดผมยึดคตินี้มีมาจึงระ ง, งับใจไว้ว่าใครเยะว่าใครเยกล่าวใครดินทาว่าอะไรยังไงก็ช่างเถอะถือช่างไว้ก่อนแต่ว่าขอบันเดือบรรดาเพื่อประโยชน์สมณีนิยายมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นอาราน ถ้าคิดเขอย่างนั้นอย่าพลาดถ้าคําว่าดา่าต่อหน้าเด็กก็ไม่แน่นักนะว่าพราะะอดทนไหวแล้วทนอดไหวอดทนหมายคือไม่หวั่นไหวจริงๆทนอดหมามาถึงการยับยั้งใจมันจะไหวไปแค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบดีไม่ดีเพราะอาจจะปึงปังข่มขามดา่าดังแล้วเขาก็ได้ นี่ขอท่านหลายจงอย่าพึงคิดว่าผมดีอย่าคิดมากไปกลวงกว่าขอท่านหลายพออยายามฝึกการอดใจไว้อดไหวก็ไหวไม่ไหวมันก็พุ่งพลางมาเป็นของธรรมดาแต่พยายามดึงไว้ให้มากที่สุดให้หนักมากที่สุดจนกว่าจะดึงไม่ไหวเป็นการรักษากําลังใจให้มีความสุข ตอนนี้ต่อมาต่อเรื่องไปเมื่อผม เ, อเมื่อผมคิดว่าจะต้องไปสูน์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้มันผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะไปหาใครดีที่สามารถจะชี้ช่องปล่องทางให้มันถูกทางเข้าใจแน่ชัดว่ามีจริงๆ <c oughs> แต่คิดว่าผมจะใช้กาลังมโนยุทธิที่ฝึกเคยกับพวกท่าน อันนี้ผมใช้แล้วหลังจากตั้ถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จี้หัวไปพขเลิกงานจิตเป็นสุขผมก็เริ่มพิสูจน์เรื่อน้ำมันจริงๆแล่แร่ธาตุต่างๆสภาวะของผมก็พบน้ำมันพบแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงอย่างอยู่ใรเนียมเป็นต้น ยูเรเนียมนี้ก็ถือว่าเป็นแร่ธาตที่มีความสำคัญราคาแพงมากผมก็พบในประเทศไทยจุดใหญ่ๆจริงๆเอาที่จุดมากๆจริงๆสิบหกจุดแล้วก็เป็นแร่ธาตที่มีเกรดสูงกว่าตา่างประเทศมากที่เขาพบกันในเกรดไม่เท่าของเราเรื่องนี้ผมจะพูดเลยดีอยูดไวก่อน <c oughs> หยุดไว้ก่อนถ้าไม่ลืมก็พูดถ้าลืมก็แล้วไปต่อมาปรากฏว่าผมมีงานประจำต้องไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานจากจังหวัดราชบุรีแล้วกหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางไปโน่นไปจังหวัดชมพรตอนมันผมก็ถึงเวลากำลังป่วยไข้ไม่สบาย ได้ว่าถึงเวลานัดนี่ผมก็ต้องไปคําว่านัดต้องเป็นนัดก่อนจะไปก็นั่งรถไปจากกรุงเทพไปพักที่บ้านซอยสายลมเวลานั้นท่านพลอากาศโทรโมอมรจวง์เสริมสุทธวัฒน์เรียกว่าเจ้ากรมเสริมท่านยังเป็นเจ้ากรมเสริมสาธารณกาศอยู่ ก็มีคุณรลลักษณ์คที่เราเรียกกันปูเมเป็นคนขับรถเวลาไปคราวนั้นจะมีคุณนนทานตะวงที่คนจะเป็นชอแล้วใครจำ ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ก็จำไม่ได้ว่าใครบ้างไปสองสามคนเ อ, อกเดินทางจากกรุงเทพไปก็ไปพักที่บ้านพักเขาล็หาอากาศ มันรับรอณะอากาศที่หหินพ <c oughs> อนวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดชุมพรพอนั่งรถไปถึงให้จะเป็นวันแรกมนะไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันไปก็ไปล้อกันหลังทำท่าเหมือนจะหลุดก็ดังกุกักกุกัก ก, กุกั ก, ก, ก, กไม่เป็นคนชำนาญในรถมากก็มีความสงสัย ขอได้ญาติเข้าโรงซ่อมรถให้ช่างวิศว์ช่างร้านนั้นก็ดีผมก็ลืมชื่อลืมชื่อจะแล้วไม่รู้ชื่ออะไรชื่อร้านก็จําไม่ได้เขาดีมากทั้งพ่อทั้งลูกช่วยกันวิศว์ใช้เวลาเกือบสองเดืมงดูแลเลือแล้ววิศน์แล้วลองวิ่งก็แล้วมันก็ไม่ดังผมก็อาจจะจันท์พอไปถึงเรื่องนั้นที่ตรงนั้นเกิดโภธิสตษ์อย่างหนัก ต้องขอเสือเขาเอามาปูที่หน้าร้านของเขาเอามอหนมาลูกคนนอนนอนนมไปคนนี้ไปด้วยอย่างนนทานตะวงเธอก็นั่งเฝ้ากใกล้ผมก็ไม่รู้จะทำไงอาการอย่างนี้ผมไม่เคยปรากฏขณะที่ปวดทีสะผมก็เปนคนมีคติอย่างหนึ่งอาการป่วยขึ้นมาเมื่อไรจะมากและน้อยก็ตาม ผมมีความรู้สึกอยูเสเงมอว่าการปวดครั้งนี้มันอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้ก็ต้องเผื่อว่ามันจะตายไวก่อนเพราะเริ่มไม่สบายผมก็ใช้กำลังใจควบคุมตามปกติอา <c oughs> รมณ์ใจก็สบายพออารมณ์ใจสบายก็ปรากฏเห็นเทว ด, ดาองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมาก แสดงว่าเป็นธวรดาชั้นจาตุกมหาราชท่านแต่งตัวปกติมาแบบคนทวารดาท่านก็บอกว่าอาการปวดรษะอย่างนี้ต้องใช้ยารัตนาไตรฉันฉันเพียงแค่หนึ่งแก้วกินยาแล้วก็จะหายภายในไม่ช้ายารัตนาตราเวลานั้นผมก็ไม่รู้จัก ก็ถามท่านว่ายาละตนาไตรเป็นยาน้ำแระยาของถ้านอว่ายาน้ำเท้ามีขายที่ไหนท่านบอกันตลาดประจวบิีีขันนี้ก็มีไปหาซื้อได้โคตรก็ไม่เกินสามบาทก็บอกให้นนทนาตะวงไปเขาไปซื้อมาได้ก็ลองฉันดูว่าเดียวเดียวอาการปริษัรษก็คลาย อาการปวดสคายอาการดีขึ้นช่างก็มาบอกว่ารถไม่เป็นอะไรครับเวลานั้นก็บ่ายมากแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะไปจังหวัดชุมพรก็ไปไม่ได้เน่ยกลับไปพักที่บ้านรับรองคาหาอากาศที่หัยิน <c oughs> เป็นสถานีถ่ายทอดวิทยุ ก, ก็ไปพักที่นั่นขึ้นไปก็ไปพักผ่อนเขาเรียกว่ามีความสุข ตอนเย็นประวันเวลาสุทุมเสปราโกาท่านยกรมเสริมไปจากกรุงเทพไปถึงที่นั่นถามท่านว่าท่านยกรมมาทําไมโม่ทราบว่าหลวงพ่อป่วยเมื่อจยมาก็ป่วยแล้วเพาก็เป็นห่วงก็เลยมาที่นี่จะมาเยี่ยมอันนี้เป็นความดีของท่านยา ก, กันไปถ้านต้องขับรถเอง บางคับก็อายุมากแล้วในในผล <c oughs> แต่ว่าท่านก็พร้อมที่จะขับรถเองมีความเน็ดเหนื่อยเพราะทสุกขคุยกับท่านคุยประมาณห้าทุ่มก็ปรารกันหลายหลายเรื่องก็ต่างคนต่างขออนุญาตจะนอนพกเข้าข้างในท่านจะนอนข้างนอกเพราะห้องมันมีห้องเดียว <c oughs> อปรากฏว่าเข้ามาในห้องผมก็ดับไฟใส่กลอนใส่กร อ, น, กรอ น, นั้นก็ดับไฟพอเอ็นัวลงนอนปรากฏว่าเห็นคนคนหนึ่งสูงหัวระดใดานเดินเข้ามาเฉยๆเดินไม่ต้องเปิดประตูแต่คืนเปิดหัวแกก็เลยประตูไปทางเยอะแกไม่ไดเรียกผมก็เดินเข้ามาเฉยผมก็แปลกใจเอ้คนคนนี้เข้ามายังไง และไอ้นาตางก็มีรูกรงประตูก็ใส่กลอนไฟก็ดับเพื่อเห็นกันชัดถ้าเดินมาข้างเตียงก้มตัวมาหยิบหยิบหมวกต่หมวกในกในลักษณะหมงวกสมัยสับปะรด ถ, ถ้าคนแก่จะรู้จักพอหยิบหมวกแลก้วจะท่านเท้าสูงท่านท่าจะเดินออกเกยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไป มาคุยกันก่อนนั่งคุยก่อนถ้าก็ น, นั่งท่านนั่งแล้วก็คุยกันถามว่าปกติอยู่ที่ไหนแล้วบอกว่าปกติผมอยู่ห้องนี้ครับ <c oughs> แล้ววันนี้จะไปไหนแา่บอกวันนี้ผมจะไปอยู่ยามท่านมาช่ว อ, อยู่ยามรักษาความปลอดภัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนดีกว่าจะเพิ่มไป มีอะไรที่ต้องคุยกันท่าก็ถามว่ามีอะไรจะถามหรือเขาบอกว่ามีผมก็ลุกมาจากเตียงนั่งบนเตียงลุกจากที่นอนนั่งบนเตียงท่านก็นั่งข้างล่างแล้วผมก็ถามคำแรกว่าการที่ฉันปวดทัวเสวันนี้เป็นเรื่องของคุณใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ครับ ถามว่าคนที่ไปบอกยาฉันวันนี้ก็คือคุณใช่ไหมท่านก็เลยบอกใช่ครับถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไร <c oughs> ฉันจะไปธุระฉันจะไปโดยธรรมแล้วทำไมมาแกล้งฉันถ้าก็บอกผมไม่ได้แกล้งเพราะว่าผมก็มีธุระจะคุยกับท่านถามด้ว่าท่านจะคุยเรื่องอะไรท่านก็เลยบอกว่าท่านสงสัยเรื่องน้ำมันใช่ไหม เนื้อไดถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวไปแล้วว่าประเทศไทยมีน้ํามันแล้วก็ท่านอยากแล้วก็ท่านเลยสงสัยว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ท่านก็ถามว่าท่านก็ไปสูดกับกําลังของใจของท่านแล้วว่าว่ามันมีเขาบอกว่าใช่ไอ้นั่นอาจจะเป็นรูปาทายก็ได้เพราะเมว่าเมื่อถวายพระพรพรบาสมเด็จเจ้าหัวไปว่ามี ไอ้การใจตัวนี้มันอาจจะยึดปเป็นอารลณ์คิดว่ามีดีไม่ดีของที่ไม่มีกับเห็นเป็นว่ามีเป็นคนไดมันก็ไม่เหน่ดนอนนักท่านก็เลยบอกว่าถ้าอก็เพราะเรื่องนี้เนี่ยผมยังทําให้ท่านปุถุสตา์และผมก็ไปบอกยาท่านในเมื่อเวลามันต้องเสียไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็เลยถามว่าไอ้เรื่องรถ ท, ทําท่าร้อยจะหุดนะท่านใจไหมเขาบอกว่าใช่ ผมแกล่งทำให้ลดเสียงดังกึกิดกักๆคล้ายๆลอยจรวดท่านก็ยังไม่ตัดสินใจมาเมื่อพักท่านยังจะเดินทางต่อไปก็ต้องทําให้ได้โปรติสานเวลาไม่ได้หมดไปถ้าเคลืนเดินทางไปมันก็ไม่ทนันจังวัดชุมพรทั้งร้อยกิโลไม่ทันแน่ก็เลยถามท่านบอกว่าถ้าอย่างานั้นเริ่องน้ามันมันมีไหมท่านก็บอกว่ามีดูตามนี้สิ คำว่าดูตามนี้เนี่ยบรรดาขึ้นเป็นโสสมณีทวดดาท่านพูดอะถ้าไม่ไดพูดทรงเดจเหมือนคนละพูดอันนั้นมีอนี่มีอธิบายท่านโน่นท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่ใช่อธิบายเลยลอยท่านบอกมาดูตามนี้สิตาเราเห็นหมดทั้งประเทศเลยเห็นชนกันกังทั้งประเทศมันมีที่ไหนบ้างโอโหโดูตามสายผิวๆนะ ถ้าลราเห็นเป็นสายนี้มันเป็นผิวๆไม่ใช่ส่วนลึกคือจากมาริดเรื่อยมาจนทางนี่ออกทางสิงบุรีเป็นลำแม่น้ำใหญ่จริงๆบางส่วนกว้างถึงหนึ่งกิโลเมตรบางจุดกว้างเกินกว่าสามกิโลเมตรส่วนที่แคบจริงๆจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโลเมตร เป็นทางยาวมากมาออกชนกับสายเหนือที่จังหวัดเขตสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีทางสายเหนือก็ไหลเรื่อยลงมาโ น, น่นจากจีนจากที่เบตจะว่าเรื่อยมาเลยเข้ามาถึงว่าเขตประเทศไทยได้นยังไม่ถึงไทยแต่ได้ไทยเก่า <c oughs> เข้าถึงว่าเทศไทยเก่าๆก็ได้เชียงตรง มันจะมีแร่ประเภทหนึ่งที่มีความร้อนสูงไอเจ้าแร่ประเภทนี้เวลาน้ำผ่านมามันจะร้อนขนาดเป็นไอเดือดก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งคือต้มกลัน่นน้ำที่มีตะกอนสูงให้มันสุกน้ำตะกอนตกลงฉะนั้นน้ำมันที่ไหลมอางด้านทิศเหนือจะมีความใสกว่าปกติ <c oughs> ถ้าถูกสายนะ ถ้าถูน้ำมันจริงๆเอ๊ถามว่าเวลานี้ที่เ็าเจาะถึงจุดโนจริงๆหรือยังผมก็ต้องตอบว่าโนจริงๆนะมันยังไม่ถึงแท้มันถึงแค่ผิวของโนจริงๆแค่ผิวถ้าลึกลงไปประมาณสกิโลเดียวเขาเจาะกิโลที่กิโลเศษจะพบน้ามันมากกว่านี้เยอะ ต่วความใสเขาน้นามันก็จะมีมากขึ้นเขาพูดย้ำเล็กหน่อยถ้าหากว่าเขาจะขุดเขาจะเจาะ อ, อย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันเขาต้องเจาะไปถึงหกกิโลเมตรลวก็อันนี้มันจะถึงศูนย์กลางข้างล่างมันจะกลายเป็นทะเลเห็นไบสายนี่มันผิวถ้าถึงหกิโลเมตรแอย่ยังลงถึงทะเลเลยทะเลน้ำ ม, มัน ในนั้นเป็นทะเลทั้งหมดเป็นพื้นเดียวกันทั้งหมดโตใหญ่มากเต็มประเทศไทยเลยวิเทศไทยออกไปหน่อยตะเลนี่เลยประเทศมองจะว่าหน่อยก็ไม่ได้เนะ่ที่เลยประเทศไทยออกไปมันมีหน้าที่กว้างกว่าประเทศไทยอันนี้เป็นอ่างใหญ่มากผมก็ถามเทวดาองค์นั้นว่าถ้าดัมมันอย่างปีกอสองพันห้ารอยสิบแปด โลกต้องใช้น้ํามันอย่างนี้น้ามันใต้ประเทศไทยเจาะแล้วโดดมากี่ปีถ้าใช้น้ํามันปริวันปริวันนัทวันทั้งโลกนะโลกใช้วันหนึ่งเท่าไรจะใช้กี่ปีน้ามันจะหมดเราบอกว่าถ้าโลกใช้น้ามันปริมาณนี้เราวอกใช้ไปสี่พันปียังหมดไปไม่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาดาเพื่อนบิสุสมณีและญาติโยมเพรบริษัท เวลาบอกสัญญาเวลามันบอกหมดแล้วก็ต้องเลิกสินะวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนวันที่ยีบย่บสองกรกฎาคมเหมือนกันขอทุกท่านอย่ามี้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลแด้จงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทพรชัยทั้งสี่ระการมีอายวุวันนะสุขพระละและปฏิภาณหากทุกท่านเป็นไปสองสิ่งใด ก็ขอใได้สิงนั้นสงความปรารนาจงผู้บริการสวัสดี